คือพวกเราตั้งอกตั้งใจเรียนอดีแล้วนะพระพุทธศาสนาเนะั้นเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความพ้นทุกข์โดยตรงเลยถ้าเราเข้าใจศาสตร์อันนี้เราจะมีชีวิตที่ทุกข์น้อยลงน้อยลงถึงจุดหนึ่งไม่ทุกข์นี่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่รู้วิธีปฏิบัติ ที่ยกระดับจิตใจให้พ้นทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่ประเพณีรู้จักศาสนาพุทธมีเป็นพุทธแต่ชื่อหรอกไม่รู้ว่าพุทธจริงๆเป็นยังไงก็ไม่รู้จักก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าก็รักษาไม่เป็นเลยเราไม่รู้จักก็รักษาไม่เป็นอย่างพวกเรารุ่นหลังๆนี้ เราเข้าวัดกันบางคนเข้าไปก็ตอนงานศพนะหรือทำบุญใส่บาตรตอนบันเกิดแล้วก็บอกเนี้ยแค่เนี้ยเราก็เป็นชาวพุทธแล้วพุทธง่ายเกินไปพวกนี้พุทธสาพุทธสอน <c oughs> ถ้าเราไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนะเสียดายน่าเสียดายมากเลยศาสตร์แห่งความพ้นทุกเนี่ยไม่ใช่เรื่อง ที่ใครจะอามาคนคว้าได้ง่ายๆนะกว่าพระพุทธเจ้าจะคนคว้ามาได้นะันยากเย็นแสนเข็ญพอท่านคนคว้ามาได้แล้วท่านเอามาประกาศต่อการจะรักษาสืบทอดธรรมะแท้ๆเอาไว้ก็ยากเย็นแสนเข็ญอีกเพราะธรรมะของท่านมันฝืนกับโลกคนในโลกต้องการบริโภคเยอะๆต้องการอยากมีอยากเป็นอยากได้ เอามากๆพระพุทธเจ้ากับสอนให้รู้จักลดจักละฟังแล้วมันฝืนกิเลสคนในโลกนะอ่อนแอคิดแต่จะพึ่งคนอื่นคิดจะพึ่งสิ่งอื่นพึ่งผีสางเทวดาพึ่งโชคลางชาวพุทธต้องพึ่งตัวเองมันอยากเย็นแสนเข็นมากมันฝืนความรู้สึกให้เรา ตั้งอกตั้งใจเรียนนะค่อยๆศึกษาไปสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยโดยเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะถ้าคนเขาถามเราว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรต้องตอบเขาให้ได้ตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละคือตัวพระพุทธศาสนาที่เราปฏิบัติทํากันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเ่เรามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกแล้ว การคิดการกระทำอะไรมันก็ถูกไปหมดถ้ามีความเห็นถูกใจมันออกจากทุกข์ได้ถ้าอย่างเห็นไม่ถูกออกจากทุกข์ไม่ได้จริงหรอกศาสตร์ที่จะทําให้เราเห็นถูกมีสมา ธ, ธิิรู้ความจริงของชีวิตตัวเองเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสอนกัน เป็นศาสตร์เฉพาะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคดพบสิ่งนี้แหละลํลำพังการทําทานการถือศีลการนั่งสมาธิอะไรมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปเขาคิดว่าไปใส่บาตรก็เป็นชาวพุทธอันนี้ก็คือทําทานถึงเทศการทีก็ถือศีลทีไปงานต่างๆมีรับศีนนลนี่แหละมีศีลแล้นี่ละเป็นชาวพุทธแล้ว แค่ศีลศาสนาอื่นเขาก็มีะไม่ต้องพุทธเจ้าตรัสรู้หรอกหรือคิดว่าพอต้องลงมือปฏิบัติธรรมคิดถึงการปฏิบัติธรรม ท, ทีไรเขาคิดถึงการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าได้นั่งสมาธิเนี่ยเป็นชาวพุทธแท้แล้วยังไม่เป็นหรอกสมาธิมีมาก่อนพุทธเจ้าสิ่งที่ทําให้าศาสนาพุทธแตกต่างกับคนอื่นโดยสิ้นเชิง ก็คือการเจริญปัญญานั่นแหละหรือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทาเราได้อะไรได้สัมมาทิทฐิได้ความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตัวเองเราเรียนรู้เรื่องตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะถ้าพูดอย่างหยาบๆที่สุดนะมีกายกับใจถ้าพูดให้เป็นวิชาการเรียกว่ามีขันห้า ตัวรู ป, ปรขันเป็นส่วนของร่างกายส่วนของนามธรรมมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วความรับรู้หรือจิตนะที่ออกไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังแล้วยุ่งยากยากสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนภาคปริยักษเลยเอาง่ายๆว่าเราจะเรียนรู้กายรู้ใจของเราเองนี้แหละนะถ้ารู้เราจะได้อะไร ท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วใจมันก็จะรู้นะว่ามันหลุดพ้นแล้วหลามเป็นอิสระแล้วเนี่ยเพราะเราอาศัยการเห็นตามความเป็นจริงจนทั้งใจมันรู้จริงๆเลยนี่ทําไงเราจะสามารถรู้ความจริงของกายของใจได้เครื่องมือที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาอยู่ๆไม่ไม่รู้หรอก คนทั่วๆไปไม่รู้กายรู้ใจตัวเองหรอกมันหลงทั้งวันเรารู้เรื่องคนอื่นรู้เรื่องสิ่งอื่นนะใครเขาทำอะไรอยู่ทั่วโลกเรารู้หมดเลยนี่ไม่รู้กายรู้ใจตัวเองนี่วิธีที่จะมารู้กายรู้ใจตัวเองได้นัต้องพัฒนาเครื่องมือของมันขึ้นมาก่อนเครื่องมือที่จะทำให้เรารู้ความจริงของรูปนามกายใจได้มีสองตัวหลัก สติตัวหนึ่งสมาธิตัวหนึ่งสติตัวหนึ่งนะสมาธิอีกตัวหนึ่งถ้ามีสติก็มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วปัญญาจะเกิดจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกจิตก็วางจิตวางจิตก็พ้นทุกข์ไปจิตยังยึดถือยถอยู่จิตนทะี่ยังทุกข์อยู่คําว่าสตินะคำว่าสมาธิฟังแล้วเหมือนรู้เรื่อง อย่างเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ชนคนแล้วบอกว่ามีสติอ่านหนังสือแล้วจําได้บอกว่ามีสติแต่นี่มันสติอะไรก็ไม่รู้นะสิ่งที่เรียกว่าสติจริงๆมันเป็นสภาวะธรรมอัหนึ่งทําหน้าที่คอยรู้ทันะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเนี้สติที่รู้กายรู้ใจนี่เป็นสติชั้นเลิศเรียกว่าสติปัฏฐานนะสติที่รู้กายรู้ใจไม่ใช่สติธรรมดาเรียกเป็นสติปัฏฐานเลย เราพัฒนาสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานนี้ขึ้นมาให้ได้สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจส่วนปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเข้าใจว่าจริงๆไม่ใช่เราหรอกตัวเราไม่มีหรอกนี่ก่อนจะเกิดปัญญาได้ต้องอาศัยเครื่องมือสองตัวตัวนึงคือสติตัวที่สองคือสมาธิสติเนี่ยทยังไงสติมันเหมือนยาม มีคนแปลกปลอมเข้ามาในบ้านนะมันรู้ทันหรือมีคนเดินผ่านหน้าบ้านเราล้วก็รู้ทันมีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาก็รู้ทันเหมือนยามยามก็คอยเฝ้านะคอยรู้คอยดูดูอะไรดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกายในจิตใจเช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ ไม่ได้เจตนารู้สึกแต่รู้สึกได้อย่างนี้ถือจะเรียกว่ามีสติหรือมีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็รู้สึกได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจรู้ทันอย่างใจเรามีความสุขขึ้นมาเรารู้ทันอย่างนี้เรียกว่ามีสติเรียกว่ารู้ทันอาการปรากฏทางร่างกายทางจิตใจ หรือจิตใจเรามีความโลภเกิดขึ้นรู้ทันความโลภหายไปรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธหายไปรู้ทันใจลอยรู้ทันรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ทันฟุ้งซ่านก็รู้ทันหดหู่ก็รู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันอาการที่ปรากฏขึ้นในร่างกายในจิตใจแต่อยู่ๆมันไม่รู้หรอกอย่างเราจะมาบอกว่าเราจะตั้งใจมีสติ เราจะตั้งใจมีสติมันไม่มีจริงอ่ะอย่างเราเขียนป้ายเขียนไว้ตามถนนนะบอกว่าขับรถอย่าให้ขาดสติพูดง่ายสติไม่เกิดหรอกสติเป็นอนัตตาอยู่ๆเราไปสั่งให้สติเกิดสติไม่เกิดหรอกนี่เราต้องทำเหตุของสติอะไรเป็นเหตุให้สติเกิดสติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดในใกายในใจ มันจะรู้ทันได้นะถ้ามันจําสภาวะได้แม่นอย่างถ้าเราคอยฝึกหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตจะจําสภาวะแม่นและจิตจําสภาวะแม่นพอสภาวะเกิดเนี่ยสติจะเกิดอัตโนมัติอยู่ๆสั่งให้สติเกิดไม่เกิดหรอกไปป็ดแฝงป้ายไว้ข้างถนนนะให้มีสติมีสติไม่มีหรอกแล้วนะสั่งให้เกิดไม่ได้นี่ทําไงพวกเราจะเกิดสติตัวจริงสติปลอมๆก็มีเยอะแยะนะ จะให้เกิดสติจริงๆหัดรู้สภาวะเช่นเราต้องหัดตัวเองต้องซ้อมทุกวันทุกวันนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่หายใจออกก็ใจลอยหายใจเข้าก็ใจลอยสติไม่เกิดหรอกหรือยืนอยู่ก็รู้สึกตัวนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมลองยิ้มซิลองยิ้มยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มลองพยักหน้าสิเนี่ย ตัวที่คอยรู้ทันอย่างเนี้ยรู้ทันว่าร่างกายมันยิ้มร่างกายมันพยักหน้าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าอย่างดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะอย่าไปดูที่ลมหายใจถ้าไปดูที่ลมหายใจเป็นสมาธิเฉยๆให้เห็นร่างกายหายใจออกให้เห็นร่างกายหายใจเข้าเหมือนที่เราเห็นร่างกายพยักหน้าอย่างนี้ยเอายิ้มใหม่เห็นไหมร่างกายยิ้มเนี่ยขยับมือหน่อย เห็นร่างกายขยับมือมันรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกมันแค่รู้สึกด้วยใจรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายบิดขี้เกียจอะไรเนี่ยก็รู้สึกไปร่างกายหายจออกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกไป หัดรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งให้จิตนิ่งนะทํำว่าทําให้ถูกหลักไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งเนี่ยจ้องเนี่ยพอสักพักหนึ่งนะจิตมันจะนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยจะซื้อบือ้อจิตจะเข้าไปสู่ความซื้อบือ้อไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวจริงรอ่ะเอายิ้มอีกทีสังเจนไม่เวลาพวกเรายิ้มเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าเรายิ้มใช่ไหม รู้สึกไหมใจของเราก็คลายออกได้ด้วยใครเห็นใจที่คลายตอนที่ยิ้มรู้สึกไหมเวลากลุ้มใจแล้วถอนใจเพื่อเพื่อเคยไหมสังเกตไหมตอนถอนใจเพื่อเพื่อกันนะใจมันคลายออกมาเนียมันทุกมากๆมันถอนใจเพื่อเพืร่างใจมันก็คลายดังนัการที่เราคอยรู้นะว่าร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกร่างกายอยู่นิ่งเราคอยรู้สึกสุดท้ายจะเข้าไปเห็นถึงจิตใจได้ด้วยเอี่ยงเรายิ้มเนี่ยใจมันก็ยิ้มด้วยนะ หน้าเรายิ้มใจมันก็ยิ้มหน้าเราโกรธใจมันโกรธใช่ไหมใจมันโกรธแล้วหน้ามันก็โกรธ ด, ด้วยเนี่ยพยักหน้านะพยักหน้าเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกคอยรู้สึกไปไม่ใช่นั่งเฝ้านะไม่ใช่นั่งจ้องแบบเครียดเครียดให้ดูแบบสบายๆรู้อย่างสบายๆเห็นร่างกายนี้มันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นทำงานดูอย่างนี้เรื่อยๆไปรู้สึกสบายๆในเวลาไม่นาน ต่อไปพอร่างกายของเราเคลื่อนไหวนะโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะรู้นะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองมันจะรู้เลยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเดี๋ยวเวลาเรายิ้มเนี่ยร่างกายมันยิ้มใจเราเป็นคนดูเราพยักหน้าร่างกายมันพยักหน้าใจเป็นคนดูตอนนี้ใครขันบ้างมีไหมบางคนเก่าเนี่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยหัดรู้นะร่างกายมันกระดุกกระดิกยังไงคอยรู้สึกไปเรื่อย รู้สบายๆอย่าไปมุ่งเอาความสงบอย่างเดียวส่วนใหญ่ที่ภาวนากันผิดน ะ, จะเจริญปัญญาไม่ได้สักทีนะไม่ได้ฝึกสติมุ่งจะทำสมาธิให้จิตนิ่งๆสมาธิจิตนิ่งๆก็ยังใช้ไม่ได้นะสมาธิมีต้องหลายแบบนะสมาธิที่คนส่วนใหญ่เขาฝึกกันมันเป็นมิจฉาสมาธิหรือไม่ก็เป็นสมาธิที่ใช้ทาสมาธิกรมฐานทาความสงบเฉยๆไม่ใช่สมาธิที่จะทาให้เกิดปัญญานะสมาธิ มีสองอย่างนะแบบทําให้เกิดปัญญากระทาให้เกิดสงบสองอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนี้จะให้มีสติอยากให้มีสตินะก็หัดรู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดนะเนีย่ยจะไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนะเดี๋ยวจะได้สมาธิชนิดสงบเอย่าไปจ้องอยู่ที่ร่างกายเนี่ยจะเหลียวซ้ายแลขวานะใจก็คอยจ้องไม่ให้คลาดสายตาหรือจ้องแบบเครียดๆหน่อยเนะี่ยหรือขยับมือนะจ้องอยู่ที่มือเย่างนี้จ้อง จ้ออย่างนี้มันไม่ได้สติหรอกมันจะได้สมาธิชนิดสงบนะงั้นถ้าเราอยากมีสตินะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงว่ามันมีการเกิดขึ้นสติถึงจะรู้นะไม่ใช่สติไปดักจ้องเอาไว้ก่อนเนี่ยพยักหน้าเห็นหั้มมันพยักหน้าก็าแค่รู้ว่ามันพยักหน้าการที่เราคอยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในร่างกายบ่อยๆเนะี่ยต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ย สติจะเกิดเองอันนี้หลวงพ่อเคยเป็นด้วยตัวเองตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่นะเคยเข้าไปวัดสนามในได้ยินว่าหลวงพ่อเทียนนะภาวานาเก่งอยากไปดูว่าหลวงพ่อเทียนเป็นยังไงเข้าไปดูเห็นหลวงพ่อเทียนกําลังนั่งสอนโยมสอนคาวาะอยู่ที่สอนท่านเป็นศาลาไม้ยาวๆแคบๆท่านก็สอนคารวะาขยับมืออยู่เราดูวหลวงพ่อเทียนขยับมือแล้วรู้สึกตัวใช้ได้ในวิธีนี้นะ ลูกศิษย์ขยับนะพวกหนึ่งก็คิดว่าท่านนี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้พวกนี้นั่งคิดเอาอีกพวกหนึ่งร้ายกว่านั้นอีกคิดออกไปนอกวัดเลยคิดไปเรื่องอื่นเลยนะแต่ขยับมือสวยเป๊ะเลยมันขยับด้วยไขยสันหลังนะขยับเกง่งโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกหรอกนะแต่อย่างหลวงพ่อเตียนเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอย่างนี้คือทำถูกนะหลวงพ่อก็มาลองบ้างขยับอย่างหลวงพ่อเตียนบ้างเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดท่านอะไรขยับแล้วก็รู้สึกรู้สึก โอ้มันตั้ง14จังหวะนะสิจังหวะเยอะไปลำคาญเพราะว่านิสัยหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนะอะไรที่ยุ่งยากมากนะหงุดหงิดลำคาญยิ่งทํายิ่งหงุดหงิดไม่เอาไหนเลยรู้สึกนะไม่ถูกจริตไม่ใช่วิธีของเขาไม่ดีนะแต่มันไม่ถูกกับจริตเราจริตเรามันประเภทดูเดือดเลือดพล่านรวดเร็วรุนแรงเนี่ยจะมาประดิษฐ์ประดอ ย, อยกระบวนท่ามากมายทนไม่ไหวหรอำคาญเอาใหม่เอาแค่นี้แหละ เหลือสองกระบวนกาแรแหวมือกัมือเนี่ยเน้นของเราอยู่แค่เนี่ยแหว่ไปกัมไปเรื่อยๆชักมือเอามันแค่นี้เองแค่นี้เองเพราะอะไรท่านเคลื่อนไหวแล้วท่านรู้สึกตัวเนี่ยท่านขยับแล้วท่านรู้สึกตัวคีย์เวิร์ดของมันนะไม่ใช่อยู่ที่เคลื่อนไหวที่คีย์เวิร์ดอยู่ที่รู้สึกนะเพราะฉะนั้นเราขยับมือแล้วเรารู้สึกก็ใช้ได้ เรากำมือแบมือแล้วเรารู้สึกก็ใช้ได้รู้สึกอะไรก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอยู่นะเนี่ยพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างเนี้ยะเนี่ยเล่นอยู่สักพักหนึ่งนะน่ากลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ลองเล่นไปเรื่อยขยับขยั บ, ข ย, บขยับไปรู้สึกไปรู้สึกไปะบางทีมอากาศร้อนนะเอาพัดมาอันหนึ่งนั่งพัทแม้คนเขาไม่รู้เลยว่าเราทํากรรมฐานนะเออไอคนนี้มันเสพสุขมันมันนั่งพัดทั้งวันเลยนะนั่งพัดไปเรื่อย นี่แท้เราเห็นรา ก, กายเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูนะอยู่มาวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนนะเห็นเพื่อนอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อนคนนี้ไม่เจอหลายปีแล้วเป็นเพื่อนรักกันสมัยก่อนเห็นแล้วดีใจดีใจเราขาดสติเลยเราไม่รู้ว่ากำลังดีใจเราเก้าวเท้าไปเพื่อจะไปข้ามถนนไปคุยกับเขาพอเท้าเคลื่อนท่าะสติเกิดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกนะ เน่ขนาดที่เราฝึกเราฝึกที่มือนะแต่พอลงสนามจริงเนี่ยขาขยับเท่านั้นเองมันรู้สึกขึ้นมาอัตโนมัติมันตื่นพลงขึ้นมานะจิตนะ่ะงั้นพวกเราก็มาฝึกให้มีสตินะถ้าดูร่างกายได้ถนัดก็ดูร่างกายไปถ้าดูร่างกายไม่สะดวกไม่ถนัดนะก็ดูจิตใจนะเช่นคนไหนขี้มโมโหพวกเราคนไหนขี้มโมโหบ้างยกมือหน่อยสิขี้มโมโหขี้มโมโห เอาละพวกไหนขี้โลบคนไหนขี้โลบเจออะไรอยากได้หมดเลยเจอแฟนชาวบ้านก็ชอบอย่างนี้นะขี้โลบน้อยนะคนไหนขี้หลงหลงบ่อยมีพวกหนึ่งไม่ยกเลยเป็นพระอราหันต์พ้นจากโลภโกรธหลง <c oughs> สงสัยนั่งหลับไปแล้วนะอย่างถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเวลาตาเราไปเห็นเราเห็นอะไรหน่อยหนึ่งเราก็หงุดหงิดใช่ไหมเราได้ยินเราก็หงุดหงิด เรานั่งคิดเราก็หงุดหงิดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันหงุดหงิดตลอดเวลาถ้าเรามีนิสัยอย่างนี้นะแล้วเราไม่ถนัดดูกายเราก็ดูจิตที่หงุดหงิดเราก็จะเห็นเลยอ้าวโกรธขึ้นใ ห, ห, หน ม, ม่แล้วหรือหงุดหงิดขึ้นใหม่แล้วรำคาญขึ้นใหม่แล้วเราก็รู้สึกไปนะเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวพอหันไปทางนี้เจอคนนี้หมันไส้ไปอีกแล้วหมันไส้ก็ตระกูลโทสะเหมือนกันะหันไปที่นี้หมันไส้หันไปที่ น, น, นี้อิดชา้า หันไปเห็นคนนี้อู้เศ้าเลยเนี่ยตระ ก, กูลโทสะทั้งนั้นเลยนะงั้นถ้าเราเป็นพวกโทษามากจิตมีโทสะเต็ไมไปด้วยโทสะแล้วก็เราอาศัยโทสานี่แหละมาทำกรรมฐานฝึกให้มีสติโดยใช้โทสะเห็นไมไม่ใช่เอาของดีของวิเศษอะไรมาฝึกหรอกนะเอาของที่เรามีจริงๆอย่างร่างกายเนี่ยเรามีจริงๆลมหายใจเนี่ยเรามีจริงๆใช่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถนีเรามีจริงๆ ในจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราขี้โกรธนียเราก็เอาความโกรดนี่แหละความโกรธก็เป็นของจริงของจริงอันนี้มีศัพท์เรียกนะเรียกว่าเป็นปรมัติธรรมมีจริงๆไม่ใช่ของที่คิดคิดเอางั้นถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ต่อไปเวลาความโกรธเกิดขึ้นในใจให้รู้ว่าโกรธแล้วให้รู้ว่าโกรธแล้วนะอย่าไปรอดูนะอย่าไปรอดูว่าเมื่อไหร่จะโกรธอะจะลืมตาละเดี๋ยวคงจะโกรธอีกลืมตาละดูซิจะโกรธหรือยังเนี่ยพอลืมมานะ ใจจะทื่อๆเงี้ยไม่โกรธหรอกนะเราใช้จิตใจธรรมดานี่เองใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมดานี่เองนะกระทบอารมณ์ไปกระทบอารมณ์แล้วนิสัยมันขี้โกรธเดี๋ยวมันก็โกรธละมันลำคาญ น, นะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพวกโทสะจริตเ น, นี่ยหัดดูเห็นโทสะขึ้นเราก็รู้โทสะตั้งอยู่ก็รู้โทสะหายไปก็รู้เนี่ยคอยรู้ทันไปเรื่อยมีวันหนึ่งนะอยู่ในบ้านบ้านมันมืดๆอย่างเนี้ยเปิดประตูออกไป เปิดประตูปุ๊บเนะี่ยแสงแดดเนี่ยกระทบเปลือกตาแค่แสงแดดกระทบเปลือกตานะหงุดหงิดแล้วไม่มีใครก็ทําอะไรให้สักหน่อยนะแดดกระทบตาเนี่ยลา้าคานเะนี่ยเรียกว่าขี้โมโหและเอียดละออนะใจมันเห็นปั๊บเลยนะอุย้ยมันลําคาญเนี่ยนี่เราฝึก อ, อย่างนี้การที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆนะสมมเราขี้โกรธเหมือนจะเห็นความโกรธได้บ่อย ถ้าเราขี้โลภนะเราก็ดูเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากเจอ ER อันนี้ก็อยากเจอ ER อันนี้ก็อยากอยากไปเรื่อยอยากที่ไรให้รู้ทุกทีแล้วก็รู้บ่อยๆนะต่อไปเวลาความอยากเกิดขึ้นสติจะเกิดเองนะถ้าขี้โกรธเราก็ดูใจที่หงุดหงิดนี่แหละดูไปเรื่อยๆต่อไปไม่ได้เจตนาจะดูนะพอมันหงุดหงิดขึ้นมาปุ๊บมันรู้เองเลยตรงที่รู้เองนี่เรียกว่าเรามีสติที่ถูกต้องล้สติตัวนี้ไม่เจือด้วยโลภะไม่ตจะเจือด้วยความอยากจะรู้ ถ้าอยู่อยู่เราบอกไหนดูสิจิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยใจมันอยากดูแล้วไปดูลงไปหาอะไรไม่เจอเลยจะว่างๆแล้วเราใช้จิตใจที่ธรรมดาธรรมดานี่เองนะคอยดูอยู่ในกายในใจแล้วแต่ความถนัดถนัดรู้สึกในร่างกายก็รู้สึกร่างกายเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายคอารู้สึกอยู่ในกายเรื่อย ต่อไปพอร่างกายขยับเนี่ยสติเกิดเองมันรู้ได้เองโดยไม่เจตนาจะรู้ถนัดที่จะรู้ความรู้สึกในใจก็ดูเอนะคนไหนขี้โกรธก็เอาความโกรธเป็นตัวหลักเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่คนไหนขี้โลภก็เอาความโลภเป็นตัวหลักนะโลภขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้ถ้ารู้ตัวหนึ่งนะต่อไปจะรู้ตัวอื่นด้วยอย่างเราหัดดูความโกรธเนี่ยความโกรธเกิดปุ๊บเรารู้ความโกรธหายไปเรารู้ต่อไปพอชํานาญขึ้นนะมันโลภขึ้นมามันก็เห็นอีกละ สติมันเกิดแล้วไม่ใช่ว่าหัดดูแต่โกรวดแล้วมันจะได้รู้แค่นั้นนะมันจะรู้อย่างอื่นได้ง่ายไม่ยากหรอกเหมือนอี่ยกสินนะกสินเนี่ยถ้าเราเล่นได้กองหนึ่งแล้วกสินตัวไหนเล่นยากรู้ไหมกสินลมเล่นยากจับต้องยากกระสินไฟน ง, ง่ายะถ้าเราเล่นกระสินได้ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยตัวอื่นเนี่ยจะง่ายไปหมดเลยเอย๋ยวเราเล่นกระสินลมเนะี่ยลมจะกลายเป็นแสงนมันะมเล่นกระสินไฟก็เป็นแสงอีกแหละ ได้กับสินน้ําก็เห็นเป็นแสงอีกแหละรวมความรับกลายเป็นแสงไปหมดเลยเป็นดวงสว่างเพราะนั้นได้ตัวหนึ่งมันจะได้ตัวอื่นด้วยการที่เราหัดรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกต่อไปจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเหมือนกันนะมันไม่รู้อยู่แค่ร่างกายอย่างเดียวหรือเราจะมาหัดดูใจโกรธก็รู้ใจโกรธก็รู้ต่อไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจมันก็รู้เหมือนกันนะจะค่อยค่อยหัดรู้ไปมีตัวหลักๆไว้สักตัวหนึ่งแล้วหัดรู้ไปเรื่อยๆ นี่คือเครื่องมือตัวที่หนึ่งนะเรียกว่าสติจะต้องฝึกถ้าไม่มีไม่ได้ฝึกตัวนี้อย่ามาคุยเลยว่าชาตินี้จะบรรลุมรรคผลขาสติซะตัวเดียวนีนะศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนะถ้าไม่มีสติตัวเดียวนะคุณงามความดีเกิดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรพระสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงนะจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงเนี่ยต้องมีสติ จิตดวงที่มีศีลเนี่ยเป็นจิตที่มีกุศลจิตที um うう่มีสมาธิที่ถูกต้องเป็นจิตที่มีกุศลจิตที่มีปัญญาเป็นจิตที่มีกุศลพวกนี้ต้องมีสติสังเกตคําพูดของหลวงพ่อให้ดีนะจิตที่มีศีลใช่ไหมก็มีสติใช่ไหมจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องก็มีสติจิตที่มีปัญญามีสติทําไมสมาธิต้องมีคําว่าที่ถูกต้องเพราะศีลและปัญญาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้น แต่สมาธิเนี่ยเกิดจากจิตอาฆุศโนก็ได้อย่างเราเกลียดใครสักคนนะจะดักตีหัวมันต้องใช้สมาธิไหมจะลอกข้อสอบอเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิใช่ไหมเวลาจิตเป็นอาุศลก็ต้องมีสมาธิงั้นเวลาพูดถึงสมาธินะต้องมี Identify ยโลภีตีนะว่าสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธนะิและสมาธิเนี่ยมีหลายชนิดนี่พูดเรื่องสติไปแล้วนะสติเนี่ยเกิดจากเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆ นะรู้กายได้ดูกายดูจิตใจได้นะรอบเก่งก็ดูรอบเ ป, นะรเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยดูโกรธเป็นหลักอะไรแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบกันไม่ใช่ว่าอาจารย์ดูอย่างนี้เราจะต้องดูอย่างอาจารย์ไม่ใชนะ่สิ่งที่เราเรียนจากอาจารย์นะั่นคือหลักของการปฏิบัติส่วนเราจะใช้กรรมฐานอะไรนะดูนิสัยของตัวเองเรียกว่าดูจิตดิตของตัวเอง น, ะนี่ฝึกอย่างนี้ทุกวันนะค่อยๆหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆ แล้วไม่นานสติจะเกิดเครื่องมือตัวที่สองคือสมาธิสมาธิเนี่ยนะมีสองอันมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีสตินะอันนี้ตัดทิ้งไปเลยเช่นนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีสางเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นลูกแก้วนะเห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรเนี้ยตัดมันทิ้งไปเลยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเพื่อการจัดสรู้เลยทั้งสิ้นเลยเป็นไปเพื่อความหลงแท้เลยหรือนั่งสมาธิแล้วก็ถอดจีดอกจากร่างนะ เที่ยวไปดูสวรรค์เที่ยวไปดูนรกอะไรเนี่ยอันนี้สมาธิอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ถามว่ามีประโยชน์บ้างไหมก็มีเหมือนกันอย่างถ้าเราไปดูเราเห็นนรกสวรรค์ได้นะใจมันจะไม่ยอมผิดศีลนะจะกลัวบาปก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาเร็วไปหมดนะแต่ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงหรอกนี้สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะแยกได้สองชนิดอีกชนิดที่1 น, นะจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียว สมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนจิตจะได้มีแรงสมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นแล้วเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะสมาธิอย่างนี้เอาไว้เดินปัญญาเราฝึกให้ได้สองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าฝึกอย่างแรกไม่ได้นะไม่ต้องเสียใจอย่างที่สองได้ก็ยังดีแต่ถ้าได้แต่อย่างแรกนะชาตินี้ยังไม่บรรลุมรรคผลหรอกเพราะสมาธิชนิดที่สองนี่ที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะ กระทั่งตัวจิตที่เป็นคนดูเองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้สมาี่อย่างนี้แหลรเอาไว้เดินวิปัสสนาส่วนสมาธิที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตสงบอยู่กับพุทโธสบายอยู่กับพุทโธอย่างนี้ไม่บรรลุมรรคผลอะไรไม่เกิดปัญญาเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนหรืออย่างหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะจิตสงบอยู่กับลมหายใจลมค่อยๆตื่นตื่นตื่นตื่นขึ้นจนกระทั่งลมหยุดพอลมหยุดลมจะกลายเป็นแสง เนี่ยจิตก็อยู่กับแสงเนี่ยสมาธิอย่างนี้ไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผนะ่อนมีสมาธิเอาไว้พักผ่อนง่ายๆอย่างหนึ่งนะที่พวกครวัตน่าจะลองหัดเล่นดูคือเวลาที่เราเครียดมากๆนะเราลองหายใจเข้าแรงๆทิงหายใจเข้าไปให้เต็มปอดเลยนะแล้วกลั้นใจไว้นิดหนึ่งแล้วเอาความรู้สึกจับไปที่ความรู้สึกว่างๆจับลงไปที่ความรู้สึกว่างๆเรากลั้นใจไว้นิดหนึ่งนะ ถ้าอืดานเราหายใจออกเลยนะแล้วเอาใหม่ลองดูสักสองสามทนะีหายใจเข้าไปแล้ว ก, กลั้นลมหายใจไว้แล้วก็จับไปที่ความรู้สึกว่างๆนี่เป็นวิธีทําสมาธิแบบสั้นๆนะแบบขี้โกงนิดหน่อยหลว่อไม่ได้คิดเองเหรอกวิธีครูบาอาจารย์ <laughs> ของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศท่านสอนมาเพราะว่าเหมาะกับคารวะาเหมือนกันเย่ยงเวลาเราจะเข้าประชุมเนี่ยจะเข้าประชุมนะบางคนเมมเบอร์ในการประชุมนี่ห่วยแตกมากเลย เราจะเข้าไปเราก็หุนหงิดแล้วยังไม่ทันจะเริ่มประชุมก็รำคาญเต็มทีแล้วรำคาญตั้งแต่ท่านประธานลงมาเลยนะให้คนนี้นําประชุมทีไรนะยวันนี้ไม่จบหรอกนะประชุมอุยมีข้อถกแถลงมากเลยแต่ไม่มีอย่างเดียวคือข้อยุตินะเนี่ยเคยเจอไหมประชุมแบบเนีนะ้มีแต่ข้อคิดเห็นนะแต่ไม่มีข้ อ, อยุติสรุปไม่ได้อ่าเดี๋ยวไว้ต่อคราวหน้าคราวหน้ามันก็แบบเดิมอีกอะแล้วมันก็อยังข้อคิดเห็นอย่างเก่าอีกนะว้นอยู่งั้นอ่ะ เนี่ยแค่เราไปเจอว่าเราจะต้องประชุมอย่างนี้เราก็หงหุดหงิดแล้วนะเนี่ยจะทําไงดีหูยสติจะแตกแล้วเธอพูดมาสามชั่วโมงแล้วยังไม่รู้เรื่องโดยอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราก็จะทําใจสบายเนี่ยนะก้านใจไว้นิดหนึ่งจะหลับตาลืมตาไม่สําคัญนะถ้าหลับตาเดี๋ยวเ้ารู้สึกรู้ทันว่าเราไม่สนใจเขาหลวงพ่อเ น, นี่ยเวลาเมื่อก่อนอยู่หน่วยงานอันหนึ่งนะประชุมทั้งวันเลยไอย้คนไหนมันมาเนี่ยเรารู้เลยคนเนี้ย มีแต่น้ําเนื้อไม่มีนะแล้วก็ให้เขาพูดไปเราก็นั่งเหมือนกันนั่งฟังนะยิ้มเปา่าเราแอบหลบอยู่ข้างในไม่ได้ยินแกพูดหรอกนานๆ น, นนะักค่อยแวบออกมาฟังทีอ๋อยังอยู่ที่เก่าเข้าไปก่อนนะถ้าเราทําได้นะเราได้พักผ่อนในขณะที่คนอื่นเขาเครียดเนะี่ยเราสบายเลยเราได้พักผ่อนนานๆแยบออกมาฟังทีเออถ้าน่าสนใจเนี่ยนะจิตจิตก็จะออกมาข้างนอกเลยมาฟังนะ ถ้ายัางไม่น่าสนใจจิตแล้วเข้าพักต่อไปหรือเราทำอย่างนี้ไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเขาพูดเรื่องไร้สาระแทนที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปโกรธเขานะก็มาหัดพุดโทโธไปให้ใจสงบอยู่กับพุโทโธใจมีความสุขแม่ได้ภาวนาะตั้งสามชั่วโมงรประชุมสามชั่วโมงนะแล้วยังไงมันก็เหมือนเดิมคือไม่มีข้อยุตินะอย่างเนี้ยแต่วิธีนี้อย่าไปใช้ กับการประชุมที่สำคัญสำคัญซึ่งมีประโยชน์นะเอาไว้ใช้กับพวกที่พูดเพ้อเจ้อนะเวลาพวกพวกมีอำนาจมากๆแล้วมันพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเราจะไปเบรกมันก็ไม่ได้นะให้มันพูดไปแล้วเราก็พักผ่อนของเราไปตอนเราจะสดชื่นมากเลยประชุมเสร็จนั้นหน้าใสติ้งออกมาเลยนะคนอื่นเนี่ยหน้าหยิกๆกงองงน้ำโมโหโทโสเราสบายฝึกไว้นะฝึกไว้สมาธิอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันสาหรับคารวะนะ แต่ถ้าทําเต็มฟูมได้มันทํายากในยุค ข, ของเราที่จะทําฌานนะได้สมาธินี้นิดหน่อยๆแค่นี้ก็ดีถมไปละเนียมีสมาธิที่สําคัญที่ต้องเรียนให้ได้ต้องเรียนให้ได้นะถ้าจะเอามรักผลในชีวิตนี้คือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นคนดูจิตเป็นอ b เ e r v e r เป็นคนดูดูอะไรดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูเพื่ออะไร เพื่อจะได้เห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่เราใจที่ทำงานอยู่นี้ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูนี้ก็ไม่ใช่เรานะไปดูให้เห็นความจริงตรงนี้วิธีที่จะให้เกิดสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนสิ่งที่ตกข้ามกับจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะหนีไปหนีมาตลอดเวลาทดสอบ หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะห้ามพวกเราคิดอย่าคิดนะลองดูซิทำได้ไหมคิดไหมบางคนคิดฟุตโทรนะแล้วบอกไม่คิดอย่างนี้ก็มีนะสังเกตไหมจิตมันคิดได้เองเราไม่ห้ามมันจิตที่มันคิดไปนั่ยคือจิตมันฟุ้งซ่านอันนี้ฟุ้งซ่านไปทางใจไปคิดเวลาเราเห็นรถชนกันจิตมันจะวิ่งไปดูนะจะไปสนใจ อาศัยลูกตาเนี่ยเป็นเครื่องมือให้จิตออกไปดูรถที่ชนกันสนใจสนใจนะอีกฟังหนึ่งรถไม่ได้ชนกันรถก็ติดเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยส่งใจไปดูรถที่ชนกันเนี่ยส่งใจไปดูขนาดนั้นอะ่ะมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจเพราะอะไรจิตของเราเนี่ยวิ่งไปดูมันหลงไปดูบางทีก็หลงไปฟังบางทีก็หลงไปคิดสลับไปสลับมาเรื่อยๆจิตนะั้นหลงไปได้หกช่องทาง ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรดหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจที่เกิดบ่อยคือหลงไปคิดทางใจการที่จิตหลงไปทางทวารทั้ง6ทางช่องทางทั้ง6เนี่ยมันเกิดจากความฟุ้งซ่านของจิตความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะอยู่ในตระกูลโมหะตระกูลหลงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนั่นเองอยู่ในตระกูลหลง กิเลสเป็นศัตรูของสติน ะ, ะกิเลสเมื่อไหรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสมันนั้นไม่มีสตินะเนี่ยเมื่อกี้หลวงพ่อสอนไปแล้วนะฝึกให้มีสติอ่ะต่อไปนี้เราคอยมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันใจที่หลงไปใจหนีไปคิดรู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันวิธีที่จะซ้อมให้รู้ได้ไหวนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมศาส์ักอย่างหนึ่งถนัดพุทโธใช้พุทโธ ถนัดรู้ลมหายใจก็หายใจไปถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปแต่ดูแล้วไม่ใช่ไปดูลมดูท้องดูมือดูเท้าอะไรทั้งสิ้นนะดูแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตสว่างว่างขึ้นมารู้ทันรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันนะตอนที่หลวงพ่อสอนให้มีสติทีแรกหลวงพ่อเลยไม่บอกให้ไปดูลมแม้ถ้จิตมันไหลไปอยู่ในลมนะเนี่ยขาดสตินะ การสติเลยมันหลงอยู่กอาลมณนะ์เพราะฉะนั้นเราเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปจ้องอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานของเรารู้ทันคืออย่างเนี้ยวันหนึ่งสิบห้านาทีขอสิบห้านาทีเท่านั้นอยากเกินนะถ้าเกินแล้วเดี๋ยววันที่สองจะไม่ทำํำนะค่อยๆทาค่อยๆเอาเวลานิดๆหน่อยๆ อ, อย่าเอาเยอะอย่าโลภแต่ว่าทําให้ได้ทุกวันถ้าตั้งใจวันหนึ่งจะฝึกไหลชั่วโมงนะ มันตั้งใจได้วันที่หนึ่งสามชั่วโมงวันที่สองสองชั่วโมงแล้วมันจะลดลงมาอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายเลิกเอาวันหนึ่งนิดเดียวสิบนาทีสิบห้านาทีสิบนาทีก็น้อยไปหน่อยสิบนาทีเนี่ยไ่ว้พระสวดมนต์ซะหน่อยหนึ่งนะสักสองสามนาทีพออย่าว่ายาวถ้าจะว่ายาวก็อาศัยการสวดมนต์เนี่ยน ะ, จะเจริญสติไปเลยสวดมนต์ไปนะแล้วถ้าใจหนีไปอจากที่อื่นรู้ทันอย่างนี้ก็ยังใช้ได้ หรสวดมนต์ไปเห็นปากพางาบผางาบอยู่นะสวดสวดไปใจหนีไปที่อื่นและรู้ทันถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าสวดแล้วก็เคลิ้มปลื้มอยู่อย่างนั้นไอ้อย่างนี้ไม่พัฒนาพัฒนาช้านะงั้นเราค่อยทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตสงบจำตรงนี้ให้ดีนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตสงบ เช่นพุทโธไม่ใช่เพื่อสงบแต่พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตเวลามันหนีไปจาพุทโธรู้ลมหายใจไม่ใช่เพื่อความสงบนะแต่เพื่อจะรู้ทันจิตเวลามันหนีไปหนีไปไหนได้บ้างหนีไปอยู่กับลมหายใจหรือหนีไปคิดเรื่องอื่นหนีได้หลายแบบดูท้องของยุบเนี่ยจิตหนีไปคิดก็ได้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็ได้เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตหนีไปคิดก็ได้จิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็ได้ให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมา อย่าไปห้ามมันถ้าห้ามจะเครียดถ้าเครียดไม่ใช่สมาธิที่ดีนะที่เป็นสมาธิที่เรวทันทีเลยเพราะความเครียดนี่เกิดกับจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นนะถ้าจิตที่เป็นกุศลจะไม่เครียดนะถ้าเครียดเนี่ยจิตเป็นอกุศลทันทีเลยเป็นลักษณะตัวหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายเลยแต่ถ้ามีความสุขจิตเป็นกุศลหรืออกุศลไม่แน่เวลาจิตมีความโลภเนี่ยมีความสุขได้นะ จิตที่เป็นกุศลมีความสุขก็จริงนะแต่จิตโลภ ก, ก็สุขได้เมื่อนั้นถ้าจิตโกรธหรือจิตงุนหงิดเนี่ยอกุศล ท, ทันทีแต่ถ้าจิตมีความสุขความสบายต้องสังเกตดีดีรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเปล่ามีสติอยู่หรือเปล่าขาดสติตัวเดียวอกุศลเอาไปกินแล้วเ น, นี่ยค่อยๆสังเกตนะงั้นทำกรรมฐานนะึวันหรือสักสิ้านาทีพุโทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปไหลามาถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่กี่วันอะ จิตเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะจิตผู้รู้กับจิตที่หลงไปเนี่ยมันตรงข้ามกันมันเป็นฝั่งตรงข้ามกันเพราะจิตมันหลงไปสติรู้ทันความหลงจะดับโดยอัตโนมัติเพราะความหลงเป็นกิเลสพอสติเกิดแล้วเนี่ยความหลงอยู่ไม่ได้งั้นเวลาเราทำกรรมฐ า, านนะราจิตหลงไปเรารู้พอรู้ปุ๊บความหลงจะดับตัวรู้จะเกิด รู้กับหลงเนี่ยจะกลับข้างกันนะเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่หลงเมื่อไหรหลงเมื่อนั้นไม่รู้จะกลับข้างกันนะเนี่ยเราค่อยๆฝึกเรื่อยนะจนกระทั่ทงใจของเราเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเพราใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาทเรียกว่าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแนละ้จิตที่มีสมาธิถูกต้องนะจะมีลักษณะที่เบานะเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจขี้คลานนะถ้าสบายแล้วก็ตายเยิม้มเนี่ย อย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้มิจฉาสมาธินะสมาธิไม่ขี้เกียจคี้คลานนะว่องไวในการรู้สภาวะรู้อย่างซื่อตรงเนี่ยจิตมันจะเป็นกุศลนะดูลักษณะของจิตที่เป็นกุศลเลยจิตมันจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์แล้วโน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่ออยาดทัศนะจิตดวงนี้แหละจิตที่มันมีคุณภาพแล้ว เราต้องฝึกนะทุกวันต้องฝึกให้จิตมีคุณภาพฝึกให้จิตมีคุณภาพแล้วต่อไปนี้ก็ถึงขั้นสุดท้ายแล้วต่อไปถัดจากขั้นสุดท้ายนี่คือเกิดอริยมรรคอริยผลแล้วนะนั้นที่พวกเราเรียนมาเนี่ยใกล้เคียงกับการบรรลุมรรคผลแล้วนะในทางปริยัตนะในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติต้องไปหัดเอาเวลาที่เราจะหัดให้เกิดปัญญาเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง แต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดนะูรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางหมายถึงว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างซื่อตรงเลยนะเช่นความโลภเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่าโลภเกิดขึ้นพอรู้ว่าโลภเกิดขึ้นความโลภมันจะดับอัตโนมัติแล้วก็จะเห็นว่าความโลภเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้เราเห็นอะไรเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของความโลภเราเห็นว่าความโลภเนี่ยตกอยู่ใต้อา น, นิจจังแล้วล่ะ มีขึ้นมาแล้วก็หายไปมีขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าอนิจจังความโลภเกิดได้เองความโลภดับก็ดับของมันเองเราสั่งมันไม่ไดนะ้อย่างเวลาเราไปเห็นสาวสักคนเราชอบนะเราจะไปบอกว่าอย่าไปรักอย่าไปรักเลยห้ามมันไม่ฟังสั่งมันไม่ได้ตรงที่ห้ามไม่ฟังสั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยถ้าเรามาดูจิตใจของเราเนะีมันก็ดูไปสิมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเช่นะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หาย เออนี่มันไม่เที่ยงนะโกรธก็ไม่เที่ยงนะจิต ท, ที่ไม่โกรธเขาไม่เที่ยง น, ะนี่ยหัดดูอย่างนี้หรือมันโกรธมันก็โกรธเองไม่ได้เจตนาจะโกรธมันโกรธได้เองนี่เห็นอนัตตามิปัสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญาเนี่ยต้องต้องนะต้องเห็นไตรลักษณ์อา น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันใดอหนึ่งเห็นอ น, นิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตก็ได้ของอะไรของรูปนามของกายของใจนี้ นะไม่ใช่ไปเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของต้นไม้ข้างนอกนะเสียเวลาให้ด้อนมาดูตัวเองไม่มีใครเห็นว่าต้นไม้เป็นเราหรอกใครรู้สึกว่าต้นไม้คือตัวเราบ้างบ้าสินะเห็นอย่างนั้นบ้าแล้วละ่ะต้องไปหามหมอแล้วแต่ไอ้ตัวนี้เรารู้สึกว่าเป็นเรานะคอยรู้สึกอยู่เนี่ยเ็ต่อไปเวลามันขยับอย่างเนี้ยเราจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่ยมันแสดงอะไรแสดงความไม่เที่ยงแสดงการ อยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งนานๆมทุกข์นะร่างกายเนี่ยอยู่กับที่แล้วทุกข์มากเลยเราต้องกระดุกกระดิกตลอดเวลาอะไรเพื่อหนีความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเช่นกินอาหารแล้วขับถ่ายอะไรงนี่เนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายเวลาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตใจแล้วจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาง่ายคือเห็นว่าจิตนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวลงนะแล้วทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าเห็นอนะนิจจังแล้วก็เห็นว่าเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามโลภห้ามโกรธห้ามลงอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ต่อไปไม่นานนะจิตมันจะได้ข้อสรุปจิตมันจะสรุปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเลยเป็นแต่ของแปรปรวนตลอดเวลาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทั้งสิ้น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราสั่งมันไม่ได้นะาทางร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่ยืมจากโลกมาใช้ส่วนจิตใจก็เป็นความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายหายไปเหมือนฝันอยู่ชั่วคราวนะความสุขก็เหมือนฝันไปเดี๋ยวก็หายความทุกข์ก็เหมือนฝันเดี๋ยวก็หายโลกโกรธหลงก็เหมือนฝันอยู่เท่านั้นนะไม่มีตัวตนอะไรจริงจังที่จะให้จับได้เลยมีแต่ของหลอกๆแน่ใจมีจดสัมผัสอย่างนี้ ใจมันเห็นความจริงอย่างนี้แล้วนะมันจะละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรเราจะรู้เลยร่างกายก็ไม่ใช่สิ่งที่ถาวรจิตใจนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถาวรไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรได้เลยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วนึกว่าใจเรารู้ถูกเข้าใจถูกแล้วเราได้สัมมาทิฐิในเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็ดูสภาวะของรูปนามกายใจต่อไปใช้หลักที่ว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิต ท, ที่ตั้งม ouais ั่นและเป็นกลางตั้งมั่นก็คือจิตที่มีสมาธิแต่ว่าพอมันไปเห็นสภาวะแล้วช่วงแรกยังไม่เป็นกลางหรอกเช่นเห็นความสุขมันชอบเห็นความทุกข์มันไม่ชอบให้เรารู้ทันจิตที่ชอบจิตที่ไม่ชอบเข้าไอีกทีหนึ่งนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางทีนี้เราก็จะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้ เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมนะเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงนั่นเองมีสัมมาทิฏฐิรู้แล้วว่าตัวเราไม่มีภาวนาต่อไปเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิแก่กล้าขึ้นจะรู้ว่าสิ่งที่มีนั้นคือตัวทุกข์นอกจากทุก์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะ ไ, ไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปร่างกายนี้คือตัวทุกไม่ใช่ทุกว่างสุขว่าง อย่างพวกเราจะรู้สึกร่างกายทุกข์มากสุขบ้างแต่พระอรหันต์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพระนักขาไม่ได้รู้สึกองนั้นพระนาักขาพระอรหันต์เนี้อรู้สึกร่างกายนี้คือก้อนทุกคือตัวทุกมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยนิสสาทุกมากนะคนทั่วๆวไปก็ว่ามันทุกพอทุกน้อยเนี่ยคนทั่วๆั่วไปว่ามันสุขแต่ถ้าเราฝึกสติปัญญาแก่กล้าแล้วเห็นมีแต่ทุกเท่านั้นเลยเมื่อมันเห็นทุกแล้วเนี่ยจิตจะวางจะไม่ยึดถือกายภาวนาต่อไปมันจะเห็นว่าตัวจิต ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ OK ิกบานนันแหลเอาเข้าจริงก็เป็นตัวทุกข์ทุกวันนี้เรายังไม่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างเราตื่นต้องเวียนไหวใจเกิดอยู่เพราะเป็นเวียนไหวใจเกิดไปทําอะไรเวียนไหวใจเกิดเพื่อจะหนีทุกข์เวียนไหวใจเกิดเพื่อจะไปหาความสุขก็แค่นั้นเองแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าร่กายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์จิตจะไม่มีที่ไปเกิดอีกต่อไปแล้วจิตจะไม่เที่ยวแสวงหาอะไรอีกต่อไปแล้ว เดาส่วนเราอยากแสวงหาอยากเป็นเศรษฐีอยางนียกรวยๆนะเป็นภพของเศรษฐีเป็นเศรษฐีมีกายไหมก็มีกายใช่ไหมมีใจไหมก็ยังมีก็ยังทุกข์อีกแหละไปเป็นเทวดามีกายมีใจไหมก็ยังมีอีกก็ยังทุกข์อีกแหละไปเป็นพรหมมีกายมีใจก็ยังทุกข์อีกพรหมบางพวกมีแต่กายพรหมบางพวกมีแต่ใจก็ยังทุกข์อีกแหละเพราะว่ากายกับใจคือตัวทุกข์มันจะไม่มีที่ให้เกิดอีกต่อไปนะตรงที่จิตที่เข้าถึงธรรมแท้ นะเข้าถึงพระนิพพานแท้ๆเป็นพระอรหันเนี่ยนะมันจะไม่ด้มีความรู้สึกว่าสูญเสียนะอย่างพวกเราพอนานิดๆหน่อยๆเราบอกไม่กล้าเป็นพระอรหันเรากลัวสูญเสียจิตที่เข้าสัมผัสธรรมจริ ง, รงๆไม่รู้สึกสูญเสียหรือต่ําลงมานะอย่างเรื่องกามกามราคะเงีย้ยบางคนนะอู้กามย่อหย่อนต้องไปหาหมอต้องอย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วบอกว่าอยากได้นิพพานไหมอู้อยากได้นิพพานแต่บอกหมดความรู้สึกทางเพศเลยนะไม่ได้ นะเสียดายทําไมเสียดายเพราะว่าเรารู้จักความสุขอยู่แค่นี้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราคือความสุขแต่เวลาที่เราพอนาไปเรื่อยนะเราสัมผัสสิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อเราเจอความสุขทีเนะนเน่เหนือกว่าความสุขในฌานเนี่ยเหนือกว่าความสุขในกามแล้วนะแค่ฌานนะนะความสุขในมรรคในผลใน น, ผนนิพพานเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกมันจะมีความรู้สึกเต็มอิ่มอยู่ไม่ต้องการเสพของที่ต่ํากว่านั้นนะมันจะไม่ใช่รู้สึกสูญเสียนะมันจะรู้สึกไร้สาระ นะเพราะฉะั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าวภา อ, อนาแล้วจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันไร้สาระทุกสิ่งทุกอย่างต่างหากนะใจมันจะไม่รู้สึกสูญเสียเลยสักเรื่องเดียวนะงั้นต้องอกตั้งใจภาวนาไปนี่หลวงพ่อเทศมานานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ลืมหยิบนาฬิกามานะในห้องนี้ก็ไม่มีนาฬิกาดู <c oughs> ออมีอยู่ข้างหลังอะ่ะอเอาละพอสมควรนะได้เวลายังสี่้านาทีได้ไหมประมาณ สรุปสรุปสรุปซะหน่อยถือศีลห้าไว้นะทุกวันแบ่งเวลาทำกรรมฐานสัก15นาทีนะทำกรรมฐานทำอะไรได้บ้างไหาาว้พระสวดมนต์ซะนิดหน่อยไหว้ครูนะแล้ววันไหนถ้าฟุงา้งซ่านก็ทำใจให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจวันไหนจิตใจมีคุณภาพมากกว่านั้นก็คอยรู้ทันจิตทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะเราจะได้สมาธิที่ถูกต้อง นะจิตอยู่กับเนื้อกับตัววันไหนจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะในเวลา15นาทีเนี่ยดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานใจเราเป็นคนดูมีสติระลึกรู้กายรู้ใจนะรู้ไปด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเดินปัญญาเลยเรียกว่าทําในรูปแบบงั้นการทําในรูปแบบเนี่ยทำได้สารพัดเลยทั้งแต่ทําสมถะให้จิตสงบฝึกให้จิตตั้งมั่นจเจริญปัญญานะในสิบห้นาทีนี่แหละอาจจะบรรลุมรรคผลก็ได้ใครจะรู้แล้วแต่บารมี อันที่หนื้อศีลอันที่2ทําในรูปแบบนะวันหนึ่งสัก15นาทีอย่างน้อยนะถ้ากลางคืนทําไม่ไหวก็ทําตั้งแต่เช้านะตื่นให้เร็วขึ้น15นาทีไม่ตายหรอกนะแล้วก็ทำกรรมฐานซะหน่อยหนึ่งอันที่3เจริญสติในชีวิตประจําวันอันนี้สําคัญที่สุดถ้าไม่จเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเป็นนั่งสมาธิวันละชั่วโมงปฏิบัติวันละชั่วโมงอีก20บกว่าชั่วโมงไว้หลงไม่ได้กินหรอก ฝึกยืนในชีวิตปะันฝึกยังไงให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่กระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้เห็นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเรื่อยๆเช่นเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าเราใจมันโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยไม่ใช่รู้ว่าไอ้คันนั้นปาดหน้าพวกเราเวลาถูกปาดหน้าเราจะรู้ไอ้คันนั้นปาดหน้าเราจะไปปาดคืนเห็นไหม เราไม่ดูว่าใจกําลังโกรธเนี่ยมันพลิกกันนิดเดียวการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่การทําตัวเป็นหุ่นยนนะแต่ว่าใช้ชีวิตปกตินี่เองตาหูจมูกนิ้นการใจกระทบอารมณ์ไปแต่เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราก็รู้รู้แล้วจะเห็นอะไรเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแค่นี้เองไม่ใช่ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบเพราะความดีความสุขความสงบเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ต้องไปเอาของไม่เที่ยงเอาของจริง ของจริงคือสัจจะก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วต้องการให้เห็นตัวนี้นะถึงวันหนึ่งเราจะรู้ว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ของที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะสามอย่างนะถือศิน5้าเอา5ข้อพอไม่ต้องอุตริมากกว่านั้นหรอกคนะือศิน5้าให้ได้ก็รักกันทุกวันแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบสัก15นาทนะีแต่ต่อไปมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัต โ, ตโนมัตินะพอเราพอวนาแล้วเรามีความสุขแล้วมันจะขยันภาวนามากขึ้นเอง หลวงพ่อไม่ต้องเรียกร้องแล้วเรียกร้องจุดตั้งต้นนี่เองนะต่อไปพวกเราจะขยันบางคนภาวนาวันหลายๆชั่วโมงนะแล้วเวลาที่เหลือใช้ชีวิตธรรมดานะเช่นเลี้ยงลูกไปลูกมันนะเรามีลูกเล็กๆนะป้อนข้าวใครเคยเลี้ยงลูกเล็กๆไหมมีไหเคยเห็นไหมป้อนข้าวบางวันมันเชียวตุ้ยๆนะเราก็ดีใจดีใจเรารู้ว่าดีใจนะบางวันป้อนแล้วมันอ ม, ม, นอมไมว้เฉยๆเคยเจอม พวกเราก็จะรีบมอ ม, มอยู่นั่นแหละไม่กลืนสักทีนะโมโหนะโมโหรัวห่วโมโหเนี่ยนี่แหละกรรมฐานนะกรรมฐานขับรถปาดหน้าคนคนมาปาดหน้าเราเราโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยนะหเห็นความโกรธมันมาแล้วมันก็ไปนี่แหละกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆนะกินข้าวอาหารอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบเนี่ยเรารู้ทันใจของเรานะถ้าเรารู้กายรู้ใจอ ย, อยู่ได้เรื่อยๆก็ใช้ได้แล้วละ่ะนะ เอาแล้วพอสมควรแก่เวลานะมีคนจะถามสิบคนอเชิญธรรมส ก, การเจ้าค่าหลวงพ่อยมดีใจมากที่ได้มาเจอหลวงพ่อเป็นครั้งที่สองค่ะเหรอ<น>ะโออย่างดีเ จ, <ข>เจอสองครั้งคร <c oughs> ั้งแรกเจอที่หลวงพ่อคำเขียนที่วัดป่าสุขตโตที่หลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อค่ะหลว ง, <ข>งพ่อไ ป, <c oughs> ไปเยี่ยมหลวงพ่อนะ <c oughs> หลวงพ่อคำเขียนนะ ตอนยังพูดได้หลวงพ่อไปหาครั้งสุดท้ายนะยกมือนี้ไว้เยอะเหลือคนเดียวแล้ว่คะผมไม่อยู่แล้วเหลืออาจารย์อยู่คนเดียวแล้วโยมได้เจอหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อคําเขียนเจ้าค่ะออยากให้หลวงพ่อตรวจการบ้านโยมแล้วก็จิตถึงถ่านหรือเปล่าขณะนี้ถึงบ้างไม่ถึงบ้างค่ะขณะนี้ยขณะนี้ถึงค่ะขณะนี้จิตกระจายกว้างกว้างจิตออกนอก นะไม่หลวงพ่อค่ะจิตถือใช่จิตไม่อยู่กับหลวงพ่อนี่มับอกว่าจิตเข้าฐานอีกนะทําไมรู้หลวาพดูหง่เฮ้งออกจ้าถึงอยากให้หลวงพ่อวันนี้มาอยากให้หลวงพ่อให้รู้ทันนะใจเราไหลไปใจขนาดนี้มีปีติรู้สึกไหมใช่ค่ะมันมีปิติให้เรารู้ว่ามีปิตินะใช่ค่ะถ้าเราไม่รู้เนี่ยปิติจะครอบงําใจเราเราจ่อิ่มอกอิ่มใจจะพลื้มอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติจริง นะถูกความปีติครอบงําใจรู้สึกไหมว่ามันสลดลงมาเนี่ยมันสลดล้วก็เห็นว่ามันสลดนะเนี่ยหัดดูสภาวะอย่างนี้เรื่อยๆน ะ, ะแต่ที่สําคัญเลยก็ต้องรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่างสายหลวงพ่อเทียนชอบขยับมือเนี่ยอย่าไปขยับแบบบังคับตัวเองอยู่นะในนั้นผิดนะขยับไปแล้วก็ถ้าจิตมันหลงไปอยู่ที่อื่นรู้ทันจิตมันเพ่งอยู่ที่มือรู้ทันเสีออยอันนี้แหละจิตจะตั้งมั่น ของโยมต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นน ะ, จ, ะจิตยังไม่ตั้งมั่นได้เจ้าค่ะนะไปฝึกนะค่ะอย่างหลวงพ่อคำเขีย น, นพูดซื่อๆเลยว่าไอ้สิบสี่จังหวะนั้นมาทีหลังน ะ, ะตัวสำคัญคือสติตัางหากเลยเจ้าค่ ะ, <น>ะหลวงพ่อพ อ, อ่ะต่อไปกล่าวนาัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้อยากจะั้ย ยังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าคะมีศีลห้าไหมมีค่ะโอ้อยู่ในร่องในรอยมีศีลจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมก็อยู่บ้างไหลบ้างคะ่ะเอออย่างนี้เรียกว่าอยู่ในร่องในรอยถ้าอยู่ตลอดเนี่ยแสดงว่าเพ่งนะอยู่ตลอดไม่ได้ไม่ใช่ภูมะนะขณะนี้อยู่ไหมไหลไปที่หลวงพ่อคะ่ะตกแย่งนี้ใช้ได้ะนะใช้ได้ไปฝึกต่อต่อแบบเดิมใช่ไหมคะ่ะ รู้สึกในกายให้เยอะขึ้นหน่อยนะรู้สึกร่างกายให้เยอะขึ้นคนพออายุสี่สิบแปดขึ้นไปแล้วเนี่ยสมองมันเริ่มเสื่อมละนะถ้านั่งดูแต่จิตนัมันใจลอยง่ายเราคอยรู้สึกในร่างกายไปด้วยนะเห็นร่างกายมันพูดค้าอยหน้าปากเห็นนะรู้สึกมันจะได้ไม่หลงยาวอะต่อไปโอ้ยสองคนนี้เอาแต่ปิตีนะปิตีเยอะไป ขอบพระคุณค่ะกล่าวตปมัศการหลวงพ่อขอบคุณอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยขอบคุณที่ได้คุยกับหลวงพ่อค่ะโอ้โหดีใจเลยแค่คุยก็ขอบคุณแล้วอยู่ฟังซีดีมาประมาณแปดเดือนนะคะรู้สึกว่าเราเห็นกิเลสไหมเห็นค่ะเห็นไหมว่ากายกระใจมันโคล้านกันใช่จ้ะนะอย่างนั้นอ่ะขันมันแยกได้ค่ะเห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกระใจก็โค่นล้านไปดูต่อ หนูหปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมคะถูกนะแต่ว่าเลือๆเลือใจเราฟุ้งซ่านเก่ง่ค่ะเดินทำต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเออต้องใจให้มันเข้มแข็งอยู่กันนะ้อกับตัวนะค่ะใจมันกระจัดกระจายไปหน่อยอ๋อค่ะสมาธิไม่ค่อยพอค่ะลองหายใจหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวเออพอแล้วอย่ามากกว่านี้มากกว่านี้จะแน่นค่ะรู้สึกไหมจิตมันอยู่คนละที่ ไม่ใช่ไปอยู่ข้างนอกนะอ้าผ่านขอบพระคุณค่ะกรับหลวงพ่อครับทรงการบ้านในรอบหลายปีครับผ ม, มก็ก็รู้กับหลงไปเรื่อยครับผมอะไรนะก็ก็มีรู้กับหลงครับเออแล้วก็รู้สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยครับได้อย่างนั้นดีแล้วพอ่อนานนะถ้าแค่รู้กับหลงรู้กับหลงเนี่ยมันได้ครบเลยนะครับอย่างเวลาเราหลงไปเนี่ย เรารู้ทันจิตมันก็ไม่หลงถ้าไม่หลงเนี่ยความโลภความโกรธเกิดไม่ได้มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะก็ไม่ผิดศีลเราศีลอัตโนมัติเกิดหรือจิตมันหลงไปเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นสมาธิก็เกิดหรือเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้ไปด้วยนะเราก็จะเห็นเลยหลงก็ไม่ได้เจตนารู้ก็รักษาไม่ได้ทู้อย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตานี่ก็คือเดินปัญญา ยังแค่เราเห็นสภาวะรู้กับหลงหลงกับรู้แค่นี้นะก็พอแล้วล่ะครับเห็นแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ะเดิมากจะเห็นในรูปในในในแง่ของอนัตตาครับผมนั่นแหละพวกปัญญากล้านะครับนะของโยมระวังอันเดียวนะระวังการคิดสรุปนำนะกม่ไดคิดนําไปครับมีครับบางทีไปเห็นสภาวะแล้ว เ, เออมันคิดนำเห <นะ S 2> มนกับว่า จิตก็ไม่ใช่เราแล้วก็เป็นแค่สภาวะไปผ่านมาผ่านมาอันนี้ให้รู้ทันเลยว่าจิตฟู้งซ่านในธรรมะแล้วครับผมนะเป็นความฟู้งซ่านให้รู้เลยครับใช้ได้ดีสมาธิอะไรต้องเพิ่มเลยไหมครับหลวงพ่อไม่เป็นไรแล้วล่ะพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับครับจุดอ่อนอยู่ที่ปัญญามันกล้าไปครับผมต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครัในเรื่องของดูตัวนี้แหละดูตัวนี้นะครับเออดูตัวนี้แหละได้ครับผมขอบพระคุณครับขอบหลวงพ่อค่ะ ก็ปฏิบัติมาหนึ่งปีสองเดือนนี้ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองนะคะหลวงพ่อเขาแบบมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่าคือทำอาจจะยังไม่พอเพราะช่วงสั้นเห็นกิเลสไหมเห็นเฉพาะตัวโทสะกับตัวโมหะค่ะแต่ตัวโลภะความอยากที่จะเลยในธรรมนี้ไม่เห็นเห็นตัวไหนก็ดูตัวนั้นแหละน ะ, ะเวลาทากรรมฐานไม่ใช่ว่าต้องดูได้ทุกตัวหรอกตัวไหนเด่นเอาตัวนั้น ทีนี้บางทีระหว่างวันที่ว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันบางทีก็ชอบลืมเครื่องอยู่อะค่ะหลวงพ่อแบบกว่าจะรู้บางทีก็โอ้โหเกือบแสดงว่าเครื่องอยู่นั้นยังอ่อนไปต้องออกเครื่องอยู่ที่เข้มข้นกว่านั้นสมมุติว่าพุโทโธกับลมหายใจถ้าอ่อนนี่คือพุโทโธแล้วนับหนึ่งอะไรงนี้ได้ไหมคะ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งนะพุโทโธนับสองได้ค่ะอีกเรื่องค่ะหลวงพ่อแล้วแบบบางครั้งเราเรา เห็นสภาวะบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่เราบังคับไม่ได้ mm hmm. อันนี้เป็นความคิดหรือว่าเป็นความเห็นความรู้จริงมันรู้จริงๆนะอ๋อค่ะเพราะสุดท้ายคุณหลวงพ่อจิตรวมคืออะไรคะแล้วต้องเราคนรจะต้องเจออะไรเผสภาวะนี้ทุกคนหรือเปล่าคะจิตรวมเนี่ยค่ะเวลาจะเกิดสมถะนะจิตก็รวมที่แบบว่าเวลาจะเกิดอริยมรรคจิตเข้ารวมสมมติว่าหนูนั่งทําสมาธิอยู่ระดับหนึ่งแล้วอยู่สักพักหนึ่งเนี่ย ทุกอย่างจะหายไปเหลือแต่ลมหายใจอย่างนี้ใช่ ไ, ไหลมใช่ ใ, ชใชค่ะกาบขอบพระคุณค่ะกาบขอบพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ทีมงานทุกทุกท่านต้องขอบคุณทีมงานนะหลวงพ่อไม่ได้ทํำอะไรมากแค่นั่งรถมาเท่านะัน้นนมรสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าจิตมันเจ้ า, เาไปข้างนอกครับแล้วก็ไม่ตั้งมั่นนะดูออกไหมดูออกไหมที่หลวงพ่อบอกตอนที่หลวงพ่อบอกดูออกครับ แต่ทีนี้ไม่ทราบว่าผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรมันดีขึ้นนะครับไม่ได้จ้าอย่างขับก่อนๆแล้วเราก็ค่อยรู้สึกนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราะเห็นไหมตัวเนี้ยไม่ใช่เราดูเข้าไปถ้าใจฟุ้งซ่านนะก็ดูไปให้ถึงกระดูกเลยเห็นร่างกายนี้เป็นกระดูกเดินได้อย่างนี้ น, นะอย่างนี้ได้สมรรถได้เพิ่มพลังของสมาธิะแล้วก็ดูไปสบายๆร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ถ้า ด, ดูอย่างนี้ได้เรื่อยๆแต่ไปมันก็เห็นจิตใจมันก็ทำงานได้เองจะเห็นทั้งกายทั้งใจงงเวลาที่เราพุทธพุทโธแล้วก็พุทธโธไปเนี่ยครับมันรู้สึกว่ามันจิตมันไปแนบอยู่กับคำว่าพุทธโธเนี่ยครับแค่รู้ว่าจิตแนบนถ้าเราจริงๆเราไม่ได้พุทธโธให้จิตแนบนะ <irrelevant> ถ้าไปดูที่ครูบาอาจารย์เก่งๆสอนนะอย่างหลวงตามหาบัวคุณแม่จันดีอะไรเนี่ย ถ้าสอนให้พุโทโธเรารู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุธโทโธไปจิตสงบพอรู้พุโทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหนักจิตเบาพอรู้พุโทโธเรารู้ทันจิตนะแต่ถ้าพุโทโธแล้วจิตแนบจะได้สมถะเฉยๆแต่พุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปได้มันก็จะคือการหัดรู้สภาวะนะสติก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดโนตามมหาบัวสอนบอกว่าท่านพุโทโธทัางแต่ต้นจนจบแสดงว่าพุทโธแล้วเดินปัญญาด้วยพุทโธแล้วก็เห็นจิตนี่แหละทำงานไป ผมพ่อครับเวลาที่เราเดินจงกรมเรายังมีความสึกว่าเราเราคล้ายๆกับภาคครับว่าเออร่างกายกําลังเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ได้เป็นการสอนมันในเบื้องต้นนะครับเป็นการเตือนให้มันหัดดูอย่างเงี้ยได้กระทั่งเตือนให้มากกว่านั้นยังได้เลยร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราหรอกอะไรเนี้ย น, นะของชั่วคราวอะไรเงี้ยคนที่ติดสมาธิมากๆเนะี่ยท่านให้พิจารณากาย ก็คือคิดทบทวนพิจารณากายสอนมันไปเรื่อยเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาแต่พอจิตเดินปัญญาคล่องแคล่วแล้วเราก็ไม่คิดเอาเราจะดูสภาวะเอาจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกมันแค่รู้สึกไม่ได้คิดอะไรเลยขอบพระคุณครับอย่าให้จิตติดเฉยนะอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยแค่นี้นึกออกไหมเออตัวนี้ไม่เอานะ ถ้าติดค้างอยู่ตรงนี้ไม่เดินปัญญานะอ่าต่อไปพ่อกับเวลารู้แล้วมันรู้บางครั้งมันรู้สึกมันไม่ชัดแล้วก็ไปเร่งให้มันชัดคือถ้าจริงมันคล้ายๆมันรู้รูปแต่แต่รู้แต่แต่น่ะถูกแล้วแต่ถ้ารู้แล้วไม่ยอมแต่ก็เร่งให้มันแรงขึ้นหน่อยมันเป็นศิลปะเลยให้มันใช่แค่บางทีแค่กระพริบตามันก็รู้สึกว่ามันแจ็บขึ้นแล้วก็มัวแล้วก็แจ็บแต่ก่อนหลวงพ่อๆเป็นนะ ช่วงบทพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่สองนะบางวันเนี่ยใจยังมัวมัวใจมัวมัวเนี่ยไม่ยอมเลยนะจะต้องเจ็มตลอดนะเพราะฉะนั้นพอมัวเนี่ยหาทางแก้อุตรุษเลยอย่างนี้ก็เคยทำสุดท้ายแล้วมันปิงขึ้นมานะ่ะจิตเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้รเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสว่างนะนะเพราะฉะนั้นจะมัว จิตมัวกับจิตสว่างเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับถ้าเข้าใจจิตมันเข้าใจตัวนี้นะมันจะเลิกมัวครับเพราะอะไ ร, รเพราะมัวมาหลอกเราไม่ได้แล้วไม่ใช่เอาตัวอื่นมาหลอกต่อ <c oughs> ขอบพระคุณหลวงพ่อครับดีใช้ได้นะการะมัศกาลหลวงพ่อเจ้าค่ะอขออนุญาตสั่งกันบ้านนะคะชอลาใช้ได้นะนี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้หายเครียดอ่ะว่ามาค่ะตื่นเต้นครับ <c oughs> เออ ต้องไงก็เห็นจิตมันดิ้นนะคะถูกมันดิ้นได้เองดูออกไหมเราเป็นพวกปัญญาแรงนะเมื่อเราดูอนัตตาอนัตตาคือดูให้เห็นในมุมที่ว่ามันทํางานได้เองดูบอกไหมมันทํางานได้เองมันดิ้นเองสุขเองมันทุกข์เองมันดีเองมันช่วยเองทัอะับไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าเห็นอนัตตาดูถูกแล้วไปดูบ่อยๆ วันนี้ที่ส่งกันบ้านมาดีทุกคนเลยนะใช้ได้เพราะนาอย่างน้อยก็แยกรูปแยกนามได้ทั้งหมดเลยนะแต่ก่อนนะอย่าว่าแต่แยกรูปแยกนามเลยแค่รู้สึกตัวเป็นยังไม่มีเลยสักเมื่อสามสิบปีก่อนนะโอ้ ย, า, ยากคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกตัวเนี่ยล้าสมัยนะถ้าแยกรูปนามไม่ได้นะ่เรียกว่าตกขบวนแ ล, ละ้ะนะนี่ที่ส่งงันบ้านหม่แยกกันทั้งนั้นเลยใช้ได้ใช้ได้ นสกาารเเจ้ค่ะนี่ยเป็นการกดดันพวกที่เหลืออยู่นะส่งการบ้านมาหลายครั้งแล้วเจ้ค่ะยกไม้ให้ได้ยินหน่อยส่งการบ้านมาหลายครั้งหลายครั้งหลังสุดเมื่อเดือนตุลาอืหลวงพ่อบอกว่าตั้งใจมากไปดีขึ้นแล้วละ่ะถ้าตั้งใจมากมันเครียดนะะแจมจะอึดอัดรู้เล่นเล่นเราไม่ได้พาวนาเอาอะไรไม่ได้พาวนาเพื่อเอานะแต่พาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เอาอะไรเลย ไม่ได้เอาสุขเอาสงบเอาดีเอาวิเศษเอามากเอาผลอะไรไม่ได้เอาทุกอย่างถ้าเราฝึกแค่ว่าเราจะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ใช่เรื่องของเราถ้าวางใจได้อย่างนี้มันไปได้เร็วตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมันสบายใช่ถูกมันสบายเองนะแล้วไม่ได้เอาสบายเจต้องระวังไม่ระวัง ระวังแล้วเครียดรู้อย่างที่มันเป็นจะไประวังอะไรเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วไปแล้วจะระวังอะไรเงยระวังกิเลสเหรอต้องระวังทําไมโกรธมาแล้วโกรธก็ไปแต่ว่าโกรธก็ครอบใจเราไม่ได้เพราะพอมาปุ๊บเราก็รู้ปับไม่เห็นต้องระวังตรงไหนเลยตอนนี้รู้สึกว่าได้ทันทันดู้ดังนิดเถอะเราเพ้าแก่แล้วหูตึง ตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้ว่องไวมากขึ้นดีทําถูกแล้วล่ะอนนั้นการครับอืมไปบัตรมาได้สองเดือนแล้วครับอือสองเดือนทําได้อย่างนี้ก็เก่งนะถือสี่ห้าได้ดีไหมส่วนใหญ่ข้อสี่ครับข้อสี่ถือยากนะครับเราไม่เห็นโทษอ่ะอย่างข้อหนึ่งเนะี่ยไปชกเขาเนะี่ยเราเห็นโทษนะเดี๋ยวตํารวจจั บ, บไปขโมยเขาเขาเห็นโทษนะ เดือดโดนจับไปเป็นชู้เขาก็เห็นโทษพูดคลอกๆเล่นแต่ไม่เห็นโทษะเออมันก็เลยถือยากหน่อยแต่ถ้าใครเราฝึกนะเราค่อยๆดูจิตใจของเราเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเร า, เราพูดเพ้อเจ้อเนี่ยจิตฟุ้งซ่านครับมันจะจิตฟุ้งซ่านแล้วต่อไปเราจะไม่อยากพูดเพ้อเจ้อเราจะพูดเท่าที่จําเป็นเราพูดแล้วจิตเสียบางครั้งก็ เหมือนรู้สึกว่ากายกับใจมันแยกได้บ้างครับแยกได้แล้วถูกแล้วแต่บางครั้งก็หายไปสองสามวันเลยรธรรมดาครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะนักปฏิบัติการปฏิบัติอ่ะเจริญล้วก็เสื่อมไม่ได้เจริญลูกเดียวนะท่านสอนถึงขนาดบอกบางวันนะเหมือนมรรคนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาบางวันภาวนาไม่เป็นใช่ครับใช่สิต้อ <laughs> งเป็นอย่างนี้แหละการการปฏิบัติจะ สำเร็จเร็วหรือช้านี่อยู่ที่บุญกบฏ ท, ที่ทํามาด้วยหรืออยู่ที่าบารมีเราสร้างมาแค่ไหนนะศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเราสะสมมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็ปฏิบัติได้เร็วส่วนจะปฏิบัติง่ายปฏิบัติยากลําบากไหมลําบากนะอยู่ที่ความแรงของกิเลสถ้ากิเลสแรงก็ปฏิบัติยากกิเลสแรงครับกิเลสแรงก็เป็นทุกข์ขาปฏิปทานะคือถ้ากิเลสแรงนะ ก, ก็ปฏิบัติลําบากเช่นต้องทรมานตัวเองเยอะ มันตะกะตะกรามอะไรเงี้ยต้องอดซะบ้างใช่มชมันอดกินอดนอนอะไรเงี้ยมันจะได้หายซ่าเวลาเทียกิเลสแรงนะคูบาอจารย์ก็จะฝึกทรมานมันท่านบอกฝึกมันฝึกมา้าม้าพยศมากนะดิ้นรนมากนะให้มันอดข้าวอดน้ำเดี๋ยวมันไม่มีแรงก็ว่าง่ายขึ้น <c oughs> แต่บางคนเนี่ยมันเป็นม้าดีม้าเชื่อง พวกนี้ให้กินให้อิ่มนอนให้หลับนะถึงเวลาพาไปวิ่งก็วิ่งอ้าวเลยนั่นะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็เป็นสุขขาปฏิปทาบางคนก็ทุกขาปฏิปทาครับแล้วบางคนก็ได้ผลเร็วบางคนได้ผลช้าบางคนนะกิเลสก็แรงนะปัญญาก็แรงเนะี่ยแรงสองข้างนะพวกนี้ก็เป็นทุกขาปฏิปทาแต่บรรลุเร็วเอันนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีจุดอ่อนคือฟุ้งซ่านไปนิดหนึ่งนะคิดธรรมะเยอะไป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 และพระภิกษุทั้งหลายขอพระอาจารย์ปราโมทและพระภิกษุทั้งหลายได้ปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลและนานเทินยะถาวารีวหาปุราปริปูเรนตีสาครัง เอวามเมวาอิตโตทินังเปตานางรู ป, ปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามานิโชติรโสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินสัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อภิวาทนาสีเลนสนิตจังวุทธาปจายิโนจ ต, ตาโรโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทุกท่านนะทั้งผู้จัดและผู้ฟังรวมทั้งผู้ที่มาถ่ายวิดีโอมาบันทึกเสียงด้วยนะคนกลุ่มนี้พวกนี้ปิดทองหลังพระแต่ละที่แต่ละที่ที่หลวงพ่อไปนะ มีคนทำงานเนี่ยเยอะมากเลยที่มาช่วยกันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรสักนิดเลยนะบางคนตามไปถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรนะค่ารถก็ออกเองนะค่าใช้จ่ายออกของตัวเองทั้งนั้นเลยเขาทำเพื่อว่าทำยังไงาศาสนาของเราจะยั่งยืนอยู่ได้ทำด้วยจิตใจแบบนี้นะจิตใจอย่างนี้พวกจะอนุโมทนานะ